พระสารีบุตรส่งสิทธิ์ขึ้นสู่ปรมโบโลจะทาโดยเยาวลักษณ์คงคาสุวรรณหากคุณข้องใจว่าในกีฬาสูตรนั้นเหมือนเป็นหลักการกว้างๆมากกว่าที่จะเป็นวิธีการชัดเจน <c oughs> ก็ลองมาดูตัวอย่างที่มีการให้วิธีการตรงๆดังเช่นในธนัญชานีสูตรกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องของพราหมณ์ซึ่งเป็นคนนอกศาสนาแต่นับถือพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์พระสาวกดังกล่าวมีนามว่าพระสารีบุตรซึ่งได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศทางปัญญากล่าวคือท่านมีความเป็นรองทางสติปัญญาก็เพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนอกนั้นหากใครจะกว่าตาไปตลอดสามโลกก็จะพบว่าไม่มีผู้ใด ที่ฉลาดโลกฉลาดธรรมะท้เทียมท่านได้เลยเรื่องเริ่มขึ้นในเขตพระนครราชกฤะสือธ น, นชานิพราหมณ์กําลังใช้คนให้รีดนมโคอยู่ที่คอบภายนอกพระนครแล้วได้เห็นท่านพระสารีบุตรกําลังมาแต่ไกลเกิดนึกเลื่อมใสในสารีระภาพแห่งองค์ท่านแม้ท่านจะเป็นบรรพชิตนอกเขตความเชื่อของตนก็ตาม ธนัญชานิพราหม์เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรกล่าวนิมนต์ให้ท่านดื่มน้ำนมสดของเขาพระสารีบุตรปฏิเสธเนื่องจากท่านทำพัตตกิจเสร็จแล้วแต่ก็ชักชวนให้ไปสนทนาการที่โคนต้นไม้เมื่อต่างนั่งในที่อันสมควรแก่ฐานะของกันท่านพระสารีบุตรก็ไถ่าถามตามธรรมเนียมพุดว่าดูก่อนธนัญชาญิท่านยังประพฤติรมอยู่หรือเปล่า รามได้ตอบว่าถ้าแต่ท่านพระสารีบุตรข้าพเจ้าจะประพฤติทำอย่างไรได้เพราะไหนจะต้องเลี้ยงมารดาบิดาไหนจะต้องเลี้ยงบุตรและภริยาไหนจะต้องเลี้ยงพวกธาตกรรมก ร, ร, มก ร, รมและคนรับใช้ไหนจะต้องทำกิจสำหรับมิตรและอมมาดญาสาโลหิตและแขกเรือไหนจะต้องทำบุญที่ควรทำแกบรรพุพุษบวงสวงแกเหล่าเทวดาไหนจะต้องทาราชการให้แกหลวง แม่กายนี้ของข้าพเจ้าก็ต้องให้อิ่มนำต้องบริหารให้แข็งแรงอยู่เท่านี้เวลาก็หมดเสียแล้วพระสาวรีบุตรท่านเห็นทนัญชานิพรามเหนื่อยใจและไม่เห็นว่าตนได้เหลือเวลาประกอบบุญเอาเสียเลยจึงปลอบว่าดูก่อนทนัญชานิท่านเข้าใจว่าอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมกระทำเลวซามกับปิดามารดา อนานิรยบาลจะชุดฆ่าเขาผู้นั้นไปสู่นรกเขาจะขอได้ดังใจไม่ว่าเราเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมกระทาเลวทรามกับบิดามารดาขอนานิรยบาลอย่าพึงชุดฆ่าเราไปนรกเลยหรือกระทั่งบิดามารดาของเขาจะไหว้วอนขอแทนว่าบุตรของเราเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมกระทาเลวทรามกับบิดามารดาไม่สมควรถูกนานิรยบาลพึงฉุดฆ่าปัรกแต่อย่างใดเลย ท่านคิดว่าพวกเขาจะขอสําเร็จไหมคงไม่ได้หรอกท่านพระสารีบุตรต่อให้เขาคร่ามครวญเท่าไหร่นายนิรยาบานก็คงต้องจับโยนลงนรกจนได้ดูก่อนธนัญชานี้ท่านเข้าใจว่าอย่างไรบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบทำกระทําเลวทรามกับปิดามารดากับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมกระทําดีงามกับปิดามารดาคนเช่นไรประเสริฐกว่ากัน ค่าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้ประเสริฐย่อมเป็นผู้ปฏิบัติชอบธรรมประทาดีงามกับบิดามารดาสิอรับดูก่อนธนัญชาน้การงานที่ทำโดยชอบธรรมเป็นทางหาทรัพย์มาเลี้ยงบิดามารดาได้ไม่ต้องทำกรรมชั่วอีกทั้งเอื้อให้ทำบุญทำกุศลได้นั้นมีอยู่เมื่อกล่าวเช่นนั้นจบธนัญชาน้พราหม์ก็ได้เกิดความชื่นใจว่า ตนทำงานหาเงินหาทองก็จัดเป็นการประกอบบุญเช่นกันเป็นการประพฤติ ธ, ธรรมเช่นกันในเมื่อนำไรายได้มาจุนเจือครอบครัวเลี้ยงดูทั้งบิดามารดาทั้งบุตรภริยาทั้งค่าทาาบริวาและอื่นๆซึ่งเป็นตรงกันข้ามกับการกระทำประทุษร้ายพวกเขาหรือทิ้งขว้างไม่ดูแลพวกเขาหากการทำร้ายกันจะต้องได้ไปนรกการทำดีต่อกัน ก็น่าจะต้องได้ผลเป็นตรงข้ามคือไปสู่สวรรค์นี่เป็นสิ่งที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ให้ธนัญชานิพราหม์คิดต่อเอาเองในเวลาต่อมาธนัญชานิพราหม์เป็นไข้หนักเห็นท่าว่าคราวนี้ตนคงไม่รอดจึงเรียกคนมาสั่งให้ไปถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวเพื่อแจ้งว่าตนเป็นไข้หนักและสั่งว่าหลังจากนั้น ให้เข้าไปไหว้เท้าท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วขอโอกาสขอท่านพระสารีบุตรจงได้โปรดอนุเคราะห์มาเยี่ยมเยียนทนัญชานิพรามนาะที่พมนักอาศัยด้วยเถิดคนของทนัญชาณิพรามกระทําตามคําขอทุกประการและท่านพระสารีบุตรก็รับนิมนต์ลูกศิษย์ต่างศาสนาด้วยโดยดุษณีจากนั้นท่านก็มาเยี่ยมพราหม์ถึงที่ตามปรารถนาครั้งสุดท้าย พอมาถึงที่และนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายเรียบร้อยพระสารีบุตรก็ได้ถามทนัญชานิพราหมว่าดูก่อนทนัญชาญิท่านยังพอทนไหวอยู่ไหมพอจะยังชีวิตให้เป็นไปได้หรือไม่ทุกข์จะดไข้ลดลงบ้างหรือยังทนัญชาญิพราหมกล่าบเรียนด้วยซุ่มเสียงแหบเรือว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรข้าพเจ้าทนไม่ไหวแล้วคงยังชีวิตต่อไปได้ไม่นาน ทุกเขเวทนาของข้าพเจ้าแข็งกล้านักมีแต่สุดลงไม่ดีขึ้นเลยข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญเปรียบเหมือนมีใครกำลังใช้เหล็กแหลมคมกดศีรษะของข้าไว้ลมเสียดแทงศีรษะหนักหน้านักข้าแต่ท่านพระสารีบุตรไหนจะที่ท้องอีกราวกับคนฆ่า ว, วัวเอามีดสำหรับเชือดเนื้อมาเชือดท้องของข้าพเจ้าก็ไม่ปานข้าแต่ท่านพระสารีบุตรไหนจะเนื้อตัวร้อนไปหมดอีก ราวกับถูกรายยึดสองแขนห้อยร่าง่ายางสดที่หลุมถ่านเพลิงอย่างไรก็อย่างนั้นพระสาวรีบุตรเห็นว่าธนัญชานิพรามมีจิตผวงอยู่กับร่างกายอันทุกทรมารในปัจจุบันจึงเบี่ยงเบนความสนใจไปทางอื่นที่น่าชื่นใจกว่าอาศัยความรู้ที่ธนัญชานิพอมีอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของภพภูมิดูก่อนทนัญชานิท่านเข้าใจว่าอย่างไร นรกกับกําเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างไหนดีกว่ากันกําเนิดสัตว์เดรัจฉานดีกว่านรกสิครับท่านพระสารีบุตรดูก่อนธนันชานี้ท่านเข้าใจว่าอย่างไรกําเนิดสัตว์เดรัจฉานกับวิสัยเปรตอย่างไหนดีกว่ากันวิสัยเปรตดีกว่ากําเนิดสัตว์เดรัจฉานสิครับท่านพระสารีบุตรดูก่อนธนันชานี้ท่านเข้าใจว่าอย่างไร วิสัยเปรดกับมนุษย์อย่างไหนดีกว่ากันมนุษย์ดีกว่าวิสัยเปรสิครับท่านพระสารีบุตรดูก่อนธนัญชานี้ท่านเข้าใจว่าอย่างไรมนุษย์กับเทวดาชั้นจาตุมหาราชอย่างไหนดีกว่ากันเทวดาชั้นจาตุมหาราชย่อมดีกว่ามนุษย์สิครับท่านพระสารีบุตรดูก่อนธนัญชานี้ท่านเข้าใจว่าอย่างไรเทวดาชั้นจาตุมหาราช กับเทวดาชั้นดาวดึงอย่างไหนดีกว่ากันเทวดาชั้นดาวดึงย่อมดีกว่าเทวดาชั้นจตุมหาราศิครับท่านพระสารีบุตรดูก่อนธนัญชานี้ท่านเข้าใจว่าอย่างไรเทวดาชั้นดุสิตกับเทวดาชั้นนิมมานรดีอย่างไหนดีกว่ากันเทวดาชั้นนิมมานรดีย่อมดีกว่าเทวดาชั้นดุสิตศิขครับท่านพระสารีบุตรดูก่อนธนัญชานี้ ท่านเข้าใจว่าอย่างไรเทวดาชั้นนิมานรดีกับเทวดาชั้นปรนิมิตาสวัตีอย่างไหนดีกว่ากันเทวดาชั้นปรานิมิตาสวัตยีย่อมดีกว่าเทวดาชั้นนิมานรดีสิครับท่านพระสารีบุตรดูก่อนธนัญชานีท่านเข้าใจว่ า, ย า, วยาอย่างไรเทวดาชั้นปรานิมิตาสวัตีกับโรมโลกอย่างไหนดีกว่ากัน พระสารีบุตรกล่าวว่าโพรมโลกอย่างนั้นหรือขอรับคําว่าโพรมโลกกระทบใจทนัญชานิปรามอย่างแรงถึงขนาดขับดันให้อุทานติด ก, กันถึงสองคราและนั่นก็ทําให้พระสารีบุตรมีความดำริว่าปรามนี้น้อมใจไปในโพรมโลกถ้ากะไรเราพึงแสดงทางเพื่อความเป็นสหายกับรมแก่ธนัญชาญิปรามจะดีกว่าแล้วจึงกล่าวว่าดูก่อนธนัญชาญิ รอจักแสดงทางเพื่อความเป็นสหายกับเหล่าพรมท่านจงฟังจงตั้งใจให้ดีขอรับท่านพระสารีบุตรทนัญชานิรับคำอย่างแข็งขันใจจดใจจ่อรอฟังด้วยทั้งหมดของกำลังลมเฮือกเทท้ายของชีวิตเมื่อท่านพระสารีบุตรเห็นพราหมู้เป็นลูกศิษย์มีความพ ร, ร้อมแล้วเช่นนั้นก็กล่าวว่าดูก่อนทนัญชานิ เพื่อความเป็นสหายแห่งพรมภิกษุในธรรมวินัยของพระตถาคตสามารถทำได้โดยมีใจประกอบด้วยเมตตามีความสงบสุขอยู่ในใจเอาความไม่อยากเบียดเบียนใครเป็นที่ตั้งทนาญชานิปิดตาลงทำตามท่านพระสาริบุตรกล่าวนาคือตั้งใจไว้ที่ความไม่เบียดเบียนปรารถนาสันติสุขและความสบายใจอันเป็นอาการของเมตตา จากนั้นแล้วจงนึกปรารถนาให้บิดามารดามีความสงบสุขเช่นเดียวกันด้วยพอมีความรู้สึกเป็นสุขมีความปลอดโปร่งดีและฟังคำพระสารีบุตรเช่นนั้นจึงทราบด้วยใจว่าจะทำเช่นไรต่อคือนึกถึงใบหน้าของบิดาและมารดาอันเป็นที่ตั้งของความเคารพรักง่ายต่อการปรารถนาที่จะเผื่อแพ่รสสุขทางใจไปให้พวกท่าน นขณะนั้นเองจิตของธ น, น, นัญชาติก็เริ่มเปิดแผ่มีความเป็นสุขในสมาธิแบบเมตตาอ่อนๆกับทั้งมีความแน่วแน่ด้วยการจดจอ่อโน้มใจศรัทธาเชื่อมั่นในถ้อยคำนำทางของท่านพระสารีบุตรจากนั้นให้ท่านอาศัยใจอันประกอบด้วยเมตตามีความสงบสุขอยู่ในใจแล้วนั้น นึกปรารถนาให้ครูอาจารย์มีความสงบสุขเช่นเดียวกันด้วยเมื่อท่านพระสาวริบ Clear ุตรเอ็นทนัญชาณิแผ่เมตตาให้ครูอาจารย์ได้ก hmm ็เอ่ยนำทางต่อจากนั้นให้ท่านอาศัยใจอันประกอบด้วยเมตตามีความสงบสุขอยู่ในใจแล้วนั้นนึกปรารถนาให้ภริยามีความสงบสุขเช่นเดียวกันด้วยเมื่อท่านพระสาวริบุตรเอ็นนัญชานิแผ่เมตตาให้ภริยาได้ ก็เอ่ยนำทางต่อจากนั้นให้ท่านอาศัยใจอันประกอบด้วยเมตตามีความสงบสุขอยู่ในใจแล้วนั้นนึกปรารถนาให้มิตรสหายมีความสงบสุขเช่นเดียวกันด้วยเมื่อท่านพระสารีบุตรเห็ น, า น, นานัญชาณีแผ่เมตตาให้มิสหาได้ก็เอ่ยนำทางต่อจากนั้นให้ท่านอาศัยใจอันประกอบด้วยเมตตา มีความสงบสุขอยู่ในใจแล้วนั้นนึกปรารถนาให้นักบวชทั้งหลายที่ท่านศรัทธามีความสงบสุขเช่นเดียวกันด้วยเมื่อท่านพระสารีบุตรเห็นท น, นานิพ่เมตตาให้สมณะได้ก็เอ่ยนําทางต่อจากนั้นให้ท่านอาศัยใจอันประกอบด้วยเมตตามีความสงบสุขอยู่ในใจแล้วนั้นนึกปรารถนาให้บรรดาลูกจ้างมีความสงบสุขเช่นเดียวกันด้วย ธนัญชาีิแผ่เมตตาให้ลูกจ้างได้ถึงตรงนี้จิตของพราหม์เริ่มดวงใหญ่ขึ้นมีความตั้งมั่นพระสาริบุตรก็เอ่ยนำทางต่อในแบบที่จะให้จิตของลูกศิษย์ตนแผ่กระแสะออกไปแบบไม่มีประมาณจากนั้นให้ท่านแผ่ความสุขไปตลอดโลกไม่เลือกหน้าในทุกที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพยบูร จิตยอมถึงความใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ทําได้เพียงเท่านี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายกับเหล่าพรมแล้วทนานินชานิทําได้อีกเช่นเคยและเมื่อท่านพระสารีบุตรเห็นลูกศิษย์ตนแผ่เมตตาไปตลอดโลกโดยไม่เลือกหน้าได้ก็เอ่ยนำทางแบบวนกลับไปนับหนึ่งใหม่ แต่เปลี่ยนจากการตั้งจิตไว้แบบเมตตาเป็นการตั้งจิตไว้แบบกรุณาคิดช่วยเหลือตั้งจิตไว้แบบมุทิตาคิดยินดีไปกับความเจริญรุ่งเรืองและตั้งจิตไว้แบบอุเบกขาคิดตามจริงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกคนทุกชีวิตกำลังได้รับผลอันสมควรแก่กรรมที่เคยประกอบไว้แล้วเมื่อท่านพระสารีบุตร เอ่ยนำมาจนสุดทางจิตของทนัญชานิเป็นสมาธิเขาก็เข้าใจชัดในบัดนั้นว่าสมาธิอันประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขานั่นเองคือหนทางไปสู่รโรมโลกแต่แล้วทนัญชานิก็เห็นว่าร่างกายใกล้ถึงราวสิ้นสุดจึงอยากใช้เรื่อแรงสุดท้ายทำในสิ่งที่ควรทำที่สุดโดยลืมตาขึ้นเอ่ยปากฝากอาจารย์ ข้าแต่ท่านพระสาวรีบุตรถ้าอย่างไรข้าพเจ้าขอฝากเสียนกล้าวไปถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคโปรดทูลท่านด้วยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธนัญชานิพราบป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอถวายบังคมทูลลาท่านพระสาวรีบุตรเห็นว่าธนัญชานิพราดำรงจิตอยู่นับปากทางแห่งโภมโลกตามปรารถนาสุดท้ายแล้ว ก็ดำริว่าหมดหน้าที่ขององค์ท่านจึงลุกขึ้นหลีกจากเรือนมรณาของธนัญชานิพราหม์ไปในเวลาไม่นานต่อมาหลังลับร่างของท่านพระสารีบุตรแล้วพราหมผู้เป็นสานุสิ์ของท่านพระสารีบุตรก็พริมตาปิดลงจิตอันแน่วแน่แบบคนใกล้ตายมีกําลังพอที่จะปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์คือแพจิต ด้วยกระแสเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขากระทั่งในที่สุดกระแสจิตผนึกแน่นรวมดวงเปิดสว่างเจิดจ้าดุดลูกไฟใหญ่ที่มีรัศมีโชติช่วงมีความเป็นอัปนาสมาธิเข้าถึงซึ่งปฐมฌานและแล้วกายของธนัญชา น, นิพรามก็ถึงกาละอวสารจิตอันเป็นฌานแบบมนุษย์ดับลง เคลื่อนไปปฏิสนธิเป็นจิตแบบโรมเข้าถึงภูมิแห่งวิญญาณอันข้ามพ้นระดับโลกีวิสัยที่มีเพศชายเพศหญิงพระผู้มีพระภาคอย่างทราบด้วยพระญาณเป็นสมควรตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมแล้วส่งประกาศไว้เพื่อเป็นแนวทางแก่ภิกษุอื่นๆในการต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายสารีบุตร ประดิษฐานทานัญชานิพรามไว้นในโรโมโลกชั้นต่ำทั้งที่ยังสามารถทำได้ยิ่งกว่านั้นหลังจากตรัสสั้นๆจบไม่ทันสิ้นพระสุรเสียงดีก็ปรากฏเงาร่างของท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนาที่ที่สมควรแก่ฐานะจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธนัญชานิปรามป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักก่อนตายเขาได้ถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียนกล้ายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอาการรับทราบแต่ก็ตรัสมาอีกทางว่าดูก่อนสารีบุตรทําไมเธอจึงประดิษฐานธนัญชานิปรามไว้ในโรโมโลกชั้นต่ำํำในเมื่อยังสามารถทําได้ยิ่งกว่านั้นเหตุใดจึงลุกจากอาสนะไปเส็ก่อนเล่าท่านพระสารีบุตร ได้ยินว่าทรงตรัสถามเช่นนั้นก็ทูลตอบไปตามความสัต์จริงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเหล่าพราหมณ์เช่นธนัญชานิน้อมใจไปในโรมโลกถ้าใไรข้าพระองค์พึงแสดงทางเพื่อความเป็นสหายกับรมแก่ทนัญชาณิพราหม์ตามอัธยาศัยของเขาพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคสดับเช่นนั้น จึงตรัสพยากรรับรองว่าดูก่อนสารีบุตรธนันชานิพราหม์ทำกาละไปบังเกิดในพระมโลกแล้ว